วันพรุ่งนี้ไดนิมนต์เจ้าคณะจังหวัดมาที่วัดเราวันที่สิบสองวันพรุ่งนี้วันที่สิบสองเพราะวันที่สิบสามนี่เป็นวันครบรอบของของท่านปีนี้เขามีหนังสือเชิญให้มุทิตาสาการะกับเพิ่นแล้วก็ดูเหมือนจะเพิ่งจัดปีแรกนี่แหละมัง้งจัดที่เป็นจัดกว้างขวางสัหน่อย ทุกปีเราก็ไม่เคยเห็นหนังสือปีนี้เขามีหนังสือมาจาัในจังหวัดอุดรธานีเนี่ยพรุ่งนี้ท่านจะมาฉันที่วัดพระบาทบวกขาวัวดทยายันเด่นแล้วเราก็ไปชันที่นู้นพรุ่งนี้ฉันเสร็จทอดกรถิ่นเสร็จอะไรเสร็จเราก็ในมณฑนเวทม น, ท น, แมนีแบบเดียวเพื่อพวกเราทุกคนจะได้ แสดงมุทิตาสการะทำการคารวะต่อท่นานเจ้าคณาจังหวัดนะพระราชวราลังการแล้วเจ้าจคุณสิงห์ อ, อินดาปัญโยเวลาจำเป็นเราก็ไปนนมณฑลท่านมาเป็นพระอุปิชฌายะวันพรุ่งนี้อยากให้มู ล, ลงมาพร้อมกันนะ ช่วงนี้แหละช่วงที่กฐินวัดบ้านวัดพระบาทเสร็จอันแหละอาจจะเป็นช่วงสาโมงสี่โมงอยากให้เราลงมาทุกคนใครจะมีอะไรติดไม้ติดมือถวายท่านอ่ะมีไม้ใครเราไม่เกียร์บ้างใครมีผ้าหินบ้างเราก็เตรียม เตรียมของไว้สำหรับถวายท่านอยู่ในห้องเป็นเป็นอาสนะเป็นที่นั่งเป็นที่นอนเป็นอาสนะเป็นที่นั่งเป็นที่นอนเป็นผ้าห่มเป็นอะไรที่เห็นว่าเป็นของดีหน่อยถวายเป็นของติดไม้ติดมือแล้วเราก็ว่าจะ จะตูกปัจจัยทันด้วยวันพรุ่งนี้แล้วกุทินท่านเด่นในครัวได้เตรียมอาหารไปตอนเช้าไหมในครัวได้ภาษาได้เตรียมได้ไรไหมเอเตรียมเอาอออไปแล้วก็รถมันต้องรถหลายคัน รถเราไปคันหนึ่งรถขนอาหารอีกคันหนึ่งขนอาหารกับขนไม่ออกน่าจะอันเดียวกันมั้งหมดไหม แ, แล้วก็ไปบินธบาสก็ไปตามปกติเราใครก็ตามได้ยินได้ฟังแล้วฉันเสร็จยังรออยู่ที่นี่ก่อนก็ได้ยังไม่ต้องขึ้นกุฏิ พอต้องขึ้นไปแล้วก็ไม่อยากมาแล้วแหละอยากอาศัยความพร้อมเพรียงคาวะท่านเราก็จะจัดของจัดจตุปัจจัยถวายท่านด้วยชุณสิงเนี่ยอินลปัญโยแล้วก็บอกให้หมู่เพื่อนพวกเราทุกคนทราบด้วยเมื่อวานเรา ตามไปงานกะถินคุณทวราเราก็ร่วมทำบุญกับเขาหนึ่งแส น, นแสนบาทเมื่อวานแล้วก็พวกผ้าพวกอะไรหลายพับผ้าหลายพับเขามีการเจริญพระพุทธมนตอนค่ำแต่เราไปพูดคุยนู่นนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาพักที่ปทันยศ แล้วก็มืเช้าทอดกรถินที่วัดทัญยศกรถินคุณธรราก็ทอดตอนเช้าวันนี้แหละแต่ว่าเราไปตอนค่าเมื่อวานแล้วกรถินธัญยศมื้อเช้านี่เราก็ถวายเช็คหนึ่งแสบาทหนึ่งแสบาทดูเ ม, มันจะรวมทั้งหมดก็ได้ประมาณห้าแสนกว่าบาทตอนกรถินที่วัดทันยศวัดปา่า ผูกำน้อยส่วนมะขามเมืม่เอเช้านี่หมู่เพื่อนได้ยินได้ฟังก้อนโมทนาเอามันโมทนาเอาที่เราทําไปนี้เราก็ทําเพื่อชื่อเสียงของวัดประวัติเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับหมูกับเพื่อนโดยเฉพาะยังยิ่งอย่า ง, ง, างกับคุณทาวราเนี่ยคุณเทวราเขาไม่ได้เป็นเจ้าภาพก็จริงอยู่ แต่เขาก็มาจัดโน้นจัดนี้เท่ากับเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพรับรองเหมือนกนเถอะเป็นเจ้าภาพรับรองเราจะเห็นว่าพวกอาหารพวกอะไรตัวอะไรนะเขาพยายามจัดแล้วก็อีกพิเศษที่เราคิดว่าเออเพื่อนก็คิดออกเนาะเพื่อนจัดอาหารให้เจ้าภาพใส่บาทเห็นไหมที่เพื่นจัดให้เจ้าภาพเขาใส่บาทคุณเาวรลาเป็นคนจัดให้ในครัวจัด กลัวของเพ่อนัอ่นแหละจัดไม่รู้ตั้งกี่อย่างไม่รู้แต่ละกาตากาตาแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าพ่นจัดแล้วให้เจ้าภาพเขามาใส่เป็นการอำนวยความสะดวกให้เจ้าภาพแต่แท้ที่จริงเขาฉลาดเห็นไหมเขายืมมือเราเขายืมมือเราใส่เขาก็ได้บุญหลายต่ อ, อ, ตอ น, น, นีนะ่ตอนกระถินเราเนี่นะตอนกระถินเรานอกจากพ่นจัด รับรองเกี่ยวกับเรื่องรองทานแล้วเพื่อนก็ยังจัดเครื่องกระถินเครื่องกระทินทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยคุณทวาราเป็นคนไปจัดมารวมทั้งค่าอาหารด้วยค่าอะไรด้วยแบบสองแสนขึ้นนั่นแหละสองแสนขึ้นนี่เพื่นก็ทำเพื่นก็ทาเพื่อนก็ทำเพื่อเป็นเป็นชื่อเสียงของเพื่อนด้วยเป็นบุญกุศลของเพื่นด้วย เป็นชื่อเสียงของวัดเราด้วยเพราะวัดเรามันเกี่ยวเกี่ยวข้องกับดวงตาเป็นวันดดวงตาเราที่เราทําอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆเราก็คํานังถึงชื่อเสียงของวัดกันแท้ที่จริงเราก็ต้องการบุญเมื่อเราช่วยเราทําไปแล้วคนที่เกี่ยวข้องที่เขาได้รับไปเขาก็ยินดีเขาก็ดีใจ เรก็ดีใจแต่เราจะทําในช่วงที่เรามีมีทำถ้าไม่มีทําเราไม่เคยดิ้นรนเราไม่เดือดร้อนเรื่องเงินมีเราก็ใช้ไม่มีเราก็ไม่ใช้เราไม่เห็นเดือดร้อนมีเราก็ใช้แต่ถ้ามีมาเราก็มีที่ใช้ถ้าไม่มีมาเราก็งดเราไม่ต้องคิดให้ปวดหัวปวดสมองเรื่องเงิน ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเรามีที่หวังไม่ใช่เราไม่มีที่หวังเราไม่มีที่หวังที่เราใช้ประปรายมาตลอดทั้งปีเราก็ใช้เงินกระถินนี่แหละเงินปัจจุบันที่เขามาทําบุญด้วยเงินปัจจุบันที่เขามาทําบุญนี่ก็ไม่น้อยนะโดยเฉพาะเราอยู่ที่วัดนี่เขาก็มาทําบุญที่วัด ก็ไม่น้อยนะเราไปกรุงเทพเขาก็ทำบุญอยู่กรุงเทพเราไปเรากลับทีละครั้งนี่ก็ไม่น้อยเราก็เลยใช้ทั้งของใหม่ทั้งของเก่าของเก่าที่มีความจำเป็นจริ ง, รงๆเราก็ใช้ไปของที่เราเก็บไว้ตอนกระถินเนี่ยคนเราถ้ามีเงินแล้วมันก็มีเรื่องที่จะใช้เี่ย มันไม่มีใครซบือซื่อทื่อเฉยๆดอกแต่ถ้ายังไม่มีโครงการที่จะใช้มันก็ไม่มีไม่รู้จะปตั้งโครงการอะไรในเมื่อเราไม่มีทุนเอ้ยท่านใช้ไม่เป็นท่านใช้ไม่เป็นไปหาขอท่านเราไม่ได้ตั้งไว้ให้คนขอแต่ถ้าหากเราจะทำเราก็ทำตามอัธยาศัยของวัดเรา ไม่งั้นเราก็วิ่งตามเขาตายอ่ะเหมือนอย่างที่เราเคยพูดกับหมูเรื่องเรื่องอย่างเรื่องน้ําเนี่ยเรื่องน้ําเนี่ยเราไม่ได้ตั้งไว้ให้คนขอเดี๋ยวที่นู่นขอมาที่นี่ขอมาท่านนั่นขอมาที่นี่วิ่งทําตามเขาตายอ่ะท่นเนี่ยเรายังไม่ถึงขั้น เ, เกีย่ยวหญ้ามุงทุ่งเหมือนอย่างบดาณท่านว่าขนาดนั้น แต่ถ้าเราทำตามอัธยาศัยเราเนี่ยทำตามกำลังของเราทำตามเวลาว่างของเราทำตามความเหมาะสมของเราจริงอยูอ่คนที่เขามาขอเขาก็ต้องการให้เราสงเคราะห์แต่บางคนขอไม่รู้จักประมาณเหมือนกันนะไม่รู้จักประมาณแต่ถ้าเราทำตามอัธยาศัยเราก็ดูไปตามเหมาะสมเออ สมควรเออไม่สมควรเออสมควรมากเออสมควรน้อยเราก็ทําไปลองเราลองเราไปเปิดได้ขนาดบารมีขนาดหลวงตานะท่านยังออท่านท่านยังขอพักก่อนขอพักก่อนขอพักก่อนคนนั้นขอได้คนนี้ก็ไปขอคนนั้นขอได้คนนี้ก็ไปขอคนนี้ขอได้คนนั้นก็ไปขอเราไม่มีบุญบาสนาบารมีขนาดนั้น เราเอาแค่ว่าใช้สอยความเป็นอยู่สำหรับพวกเราให้ใหเป็นไปให้เกิดประโยชน์ให้เป็นไปให้เกิดประโยชน์พรุ่งนี้เรามีมนเรดกในจังหวัดมาเราก็กะว่าจะถวายท่านสักห้าหมืพรุ่งนี้นะไปสมพรเราก็กะว่าจะถวายท่านสักแสนหนึ่งถินเนี่ย อาจารย์สงบก็ออกปากถวายท่านไปแล้วห้ามืนแต่ห้ามื่นนี้สถานีวิทยุสองหมืนกฐินสามมืน่นเราะเป็นวัดเก่าวัดแก่เป็นวัดไม่อดเงินวัดไม่ได้ก่อสร้างอะไรมากลราก็ถวายห้ามืน จันสมพรเราไปแล้วก็กล่าวว่าจะถวายสักแสนหนึ่งไปถวายท่านยอดแสนหนึ่งแล้วก็มีอีกหมู่เพื่อนอีกคนหนึ่งที่เราไม่เคยไปสงเคราะห์เขาอะท่า น, นท่าสวยท่านสวยเนี่ยเราไม่เคยไปช่วยอะไรเขาแล้วเขาก็เป็นคนพอดีพอดีด้วยเขาไม่ได้แสดงความหิวกระหายตือร้อนสอโ น, นส น, นี้อืม มีเขาก็ใช้ไม่มีเขาก็ไม่ต้องใช้มันสบายที่สุดแล้วแหละมีก็ใช้ไม่มีก็ไม่ต้องใช้คือไม่มีแล้วหาเรื่องใช้เ น, น, นี่ทุกมันทุกมันจำเป็นจริงๆที่จะต้องใช้โดยเฉพาะถึงการถึงคราวที่มันจำเป็นจริงๆที่เราจะต้องใช้ มันหากมีเทวดามองเราไหมมันไม่จำเป็นมากจำเป็นน้อยๆเราก็ใช้เท่าที่เรามีถ้าไม่มีเลยเราก็ไม่ต้องใช้เราก็ไม่ต้องไปหาสร้างความจำเป็นเพื่อให้ได้ใช้เราไม่ทุกข์ใจจริงๆนะเรื่องเหล่านี้เราทำนู้นทำนีเนยะเรามีเราก็ใช้ไม่มีเราก็ไม่ใช้มีก็ทำเราไม่มีเราก็ไม่ต้องทำ แต่เรื่องที่เราบำเพ็ญข้างในของเราเราก็ตั้งอกตั้งใจทำด่ า, ดาทำโดยสม่ำเสมอหากมันหากเจริญงงเงาะเงยตามสิ่งเหล่านี้ต่างหากถ้าเราไปมองสิ่งเหล่านั้นก่อนเราไปดิ้นรนสิ่งเหล่านั้นก่อนผิดเราไม่ต้องดิ้นรนสิ่งเหล่านั้นเราไม่ต้องดิ้นรนลาบสักการะ แต่เราดิ้นรนหาอัหาธรรมนี่สิ่งเหล่านั้นมันจะมาเองแล้วก็มาเกินคาดมาแบบไม่คิดไม่คาดมาแบบหล่นทับเราดูเอาเถอะหมู่เพื่อนเราบางคนสเสวงหาลาภสการะแต่ไม่ได้ตั้งใจสเสวงหาอัหาธรรม แวงหาทุกยากลำบากเราเคยเห็นพระเขาเดินสายไหมนั่นแหละเขาอยากได้มากๆอยู่แต่เขาก็แสวงหายอย่างนั้นมันก็ได้แค่นั้นแะได้แค่กุ้งได้แค่ซิวได้แค่อะไรแค่นั้นแหละนะเราก็ไม่ได้ดูถูกนะแต่เรามองแล้วเราเห็นว่าเป็นอย่างนั้นบางทีเขาให้เขาก็ไม่ได้พอใจอะไร เหมือนอย่างที่เราไปเห็นเนั่นแหละหมู่เพื่อนที่เดินสายแต่ถ้าตั้งใจสํารวมระมัดระวังรักษาศีลให้ยิ่งเข้าไปตั้งใจบําเพ็ญสมาธิให้ยิ่งเข้าไปอดทนทนทุกข์ยากทนลําบากทนทรมานแต่มันเป็นมรรคนี่เป็นการสร้างเนื้อสร้างตัว แต่ถ้าตรงกันข้ามแล้วมันเป็นการแสวงหาสิ่งเหล่านั้นก่อนเนี่ยสักหน่อยหนึ่งเน่าละอ่าแต่บางคนก็มีบุญบา ร, รมีมาที่ทําไว้แล้วก็มีบางคนหลังมาไหลบ า, าแบบนั้นก็มีมประเภทฝืดเครืองมาแล้วก็ไปแสวงหาสิ่งนั้นโดยตรงโดยไม่ได้แสวงหาอัธยาธิมเนี่ย โอ้ยมันลาบากได้ก็ไม่คุ้มไม่คุ้มปากคุ้มท้องนี่เราพอพูดพอเป็นอุปมาสำหรับหมูเราเรื่องหลักที่เราควรจะเอาเราควรจะตั้งใจรักษาศีลให้ยิ่งเราควรจะตั้งใจบําเพ็ญธรรมให้ยิ่ง รักษาปกครองตัวเองด้วยระเบียบด้วยวินัยด้วยขนบด้วยทำเนียมด้วยควัวัดต่างๆให้ยิ่งของที่ไม่ควรเป็นมันก็เป็นของที่ไม่ควรมีมันก็จะมีของที่ไม่มามันก็จะมาที่ว่าดาฟ้าดินท่านมีหูมีตาท่านเห็นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเราลองลองลองดูเถอะ มันจะเปตาหูกว้างกับสิ่งนู้นกับสิ่งนี้เธอเลอะสิ่งนั้นเธอเลอะสิ่งนี้โอ้ยแสวงหาทุกอย่างลำบากแล้วยู่แบบไม่ต้องสนใจมันเลยได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาไม่มีก็อดอดตายก็ช่างมันแต่ไม่อดทําความดีสิ่งเหล่านี้มันจะมาตามความดีความดีทั้งหลายเป็นทรัพย์เคยพูดให้ฟัง ความดีทั้งหลายทั้งหลายเป็นอริยทรัพย์คําว่าอริยทรัพย์มันประเสริฐกว่าทรัพย์ภายนอกที่เราแสวงหากัน ท, ที่เราเรียกว่าเป็นลาบสักการะเนี่ยอันนี้เป็นทรัพย์ภายนอกแต่อริยทรัพย์คือบุญกุศลในใจอันนี้เป็นทรัพย์ภายในมันสามารถดึงดูดได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ทั้งลาบได้ทั้งยศได้ทั้งเกียรติชื่อเสียงและวก็ที่สาคัญที่สุดก็คือ ได้รับความสุขโดยตรงเนื่องจากเราตั้งใจขวนขวายฝึกฝนอบรมขัดเกลาโดยตรงกับสิ่งเหล่านี้ยิ่งละเคยได้ยินไหมคาถาหลวงปู่ฟัน่นน่ะยิ่งละยิ่งรวยคาถาละรวยละรวยละรวยคาถาละรวยเดี๋ยวต้องฟังให้เข้าใจนะคำว่าคาถาละรวยนี่ ละความโลภละความโกรธละความลุ่มหลงนี่ละแล้วรวยรวยทั้งบุญรวยทั้งทรัพย์รวยทั้งทรัพย์ภายในรวยทั้งรทรัพย์ภายนอกนี่พูดพอเป็นข้อคิดพอเป็นอุ ป, ปมาพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วเห็นว่าอะไรเป็นเก่นสารกว่าเป็นสาระกว่า อะไรเหนือกว่าที่เราควรจะเลือกเอาทางใดเหนือกว่าที่เราควรจะเลือกเดินทางใดต่ำกว่าทุกอย่างลำบากไม่คุ้มค่าแต่เราก็หลงไปเลือกเอาแน่ทรัพภายนอกกับทรัพภายในชาวโลกเขาแสวงหาทรัพภายนอกเป็นเบอร์หนึ่ง จะ ต, ตรงกันข้ามทางธรรมแสวงหาทรัพย์ภายในเป็นเบอร์หนึ่งแต่ถึงขรานั้นก็ตามคนชาวโลกของนอกบางคนเขาแสวงหาอริยทรัพย์อาจจะยิ่งกว่าทรัพย์สมบัติภายนอกก็ได้คนที่เขามีธรรมคนที่เขาเข้าใจธรรมเรื่องอัดเรื่องธรรมแต่ถ้าคนไม่เข้าใจแล้วก็ลอง ยอมเดินในทางที่ผิดนั่นแหละในทางที่ไม่ควรเดินผิดทุกยากลาบากกันดานอดอยากเสียงเป็นเสียงตายก็ยังอดยังอยากแล้วยังลําบากจะเป็นจะตายเสียงเป็นเสียงตายกลับไม่ทุกยากไม่ลําบากอนั่งบําเพ็ญอยู่อย่างนั้นะมางหลังมาไหลามากุบาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเรา ได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟังมันก็มาจากอย่างนั้นมันไม่ไม่มันไม่ได้มาจากสมบัติภายนอกมันมาจากสมบัติภายในอย่าไปมองข้างนอกมันมองไม่เห็นดอกอาจารย์แบนท่านบอกว่ามองไม่เห็นดอกมองข้างนอกสิ่งเหล่านี้มันมาจากข้างในมันมาจากข้างใน อย่าไปหลงอย่าไปเหอะมองเห็นแต่ข้างนอกเพ้อเอโอ้อันนั้นเพิ่นก็ได้อออันนั้นเพิ่นก็ดีเอออันนั้นเพิ่นก็มีเราไปเหอแต่ข้างนอกแต่สิ่งเหล่านั้นมันมาอย่างไรดูให้ออกมันบอกมันหากมันมาจากข้างไหนมันไม่ได้มาจากข้างนอกอย่าไปดูผิดอย่าไปเข้าใจผิดเนี่ยท่านเคยทให้ฟังนะเราก็จาได้อยู่ครูบาอาจารย์ของเราก็เหมือนกันองค์ไหนองค์ไหนก็เหมือนกัน เห็นไหมลงตาเวลามามากมายเหลือเฟือท่านสามารถทำงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดได้สำเร็จถ้าเงินหาทองเข้าคลังหลวงช่วยโลกช่วยสงสารได้มากมายมหาศาลคือมันรวยรวยบุญด้วยบุญนี่แหละมันดึงสมบัติภายนอกมากลายเป็นรวยทรัพย์ด้วย แที่จริงทรัพย์ภายนอกก็เป็นของจําเป็นสรรถความเป็นอยู่เท่านั้นเองความเป็นอยู่กับอัตภาพร่างกายแต่ถ้าสแสวงมาแล้วเหลือเฟือมากมายที่ท่าเรียกว่าเหลือใช้เป็นเศษฐีเศษถีเหลือใช้เอาสิ่งเหล่านี้มาจัดมาสร้างมาทําให้เกิดอริยทรัพย์มาแลกมาเปลี่ยนมา ตั้งมูลละนิธิที่ท่านเรียกว่าบุญละนิตินิติคือขุมทรัพย์คือบุญเมาแลกมาเปลี่ยนให้เป็นทรัพย์ภายในและเปลี่ยนให้เป็นทรัพย์ภายในนี่คือคนฉลาดแต่ถ้าคนไม่ฉลาดเอาทรัพย์ที่มีมากมายเหลือเฟือนั่นแหละมาทําลายชื่อเสียงทําลายวงตระกูลทําลายตัวเองทําลายคนอื่น มีอยู่เราพยายามมองดูเราจะเห็นคนที่พยายามใช้ทรัพย์ทําลายคนอื่นอาศัยกำลังอำนาจทรัพย์อาศัยกําลังทรัพย์เพื่อตัดรอนคนอื่นเพื่อเพิ่มพูนบวกทรัพย์ให้ยิ่งมากขึ้นมากขึ้นตัดหน้าตัดตาตัดมือตั ด, ต, ดตีนคนอื่นจากนั้นแล้วก็ ใช้ทรัพย์เหล่านี้แหละไปทำลายชื่อเสียงของคนอื่นหรือไม่ดีไปทำลายชีวิตของคนอื่นอย่าลืมว่าคนอื่นทำลายคนอื่นก็คือทำลายตัวเองอส่งเสริมคนอื่นก็คือส่งเสริมตัวเองให้บุญให้กุศลให้คุณงามความดีกับคนอื่นก็คือให้บุญให้กุศลให้ความดีกับตนเองใครเข้าใจตรงนี้คนนั้นเข้าถึง หลักเหตุและผลหลักกุศลอกุศลหลักบุญหลักบาปทาไม่เข้าใจตรงนี้ไม่เข้าใจหลักของกรรมสรุปลงแล้วก็คือหลักของกรรมหลักกุศลหลักอกุศลหลักบุญหลักบาปก็คือหลักกรรมนั่นแหละกรรมมีเหตุแล้วก็มีผลเหตุก็คือลงมือทำลงไป เมื่อลงมือทลงไปแล้วก็มีผลตามมานี่เป็นหลักของกรรมมันเป็นการให้ผลโดยหลักธรรมชาติเป็นการให้ผลโดยหลักธรรมชาติเราทําบุญเดี๋ยวนี้กรรมให้ผลทางใจเราเดี๋ยวนี้ที่เป็นที่เป็นนามธรรมาให้ความปลื้มปิติให้ความยินดีให้ความรื่นเริงเพลิดเพลิน เ, เ, เ, เบิกบาน เหมือนยัางนางวิสาขาเนี่ยที่เขาสร้างปราสาทเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนางาสานี่นางวิสาขานี่ดีใจมากพาหลานเนี่ยเดินร้องเพลงรอบรบปราสาทเนี่ยเพลินใจดีใจนางวิสาขาเป็นพระโสดาบันตั้งแต่อายุเจ็ดเจ็ดปีเจ็ดขวบเพราะเริ่มใ ส, สัศรัทธาก็มาก็เลยมาขายมหาลดาปราสาทนั่นแหละ สร้างสร้างปราสาทหนึ่งพันห้องสร้างปราสาทสร้างวัดปุพารามสร้างปราสาทเสร็ะจะแล้วก็ไปกราบถว <c oughs> ายพระเจ้าพระเจ้าเลยให้เลือกเอาพระที่มาดูแลคุ้มครองมาดูแลงานก็เลยเลือกเอาพระมกขรนนะนางวิสาขานี่แหละ พอสร้างพระสาตว์เสร็จสงความมุ่งมา่ปรารถนาฉลองยิ่งใหญ่เสร็จจากนั้นแล้วก็บายเดินพาหลานเดินร้องเพลงด้วยความเพลิดเพลินในบุญในกุศลที่ตนตนเองทํานั่นนี่คือการทําประโยชน์ให้กับตนเองทําประโยชน์ให้กับคนอื่นทํายังไงมันก็ไม่พ้นแหละตัวเองกับคนอื่น ทำประโยชน์ให้ตัวเองก็คือทำหากินมีอยู่มีกินมีใช้มีมีสอยเอาความอยู่ดีสุขสบายนั่นแหละสร้างคุณเงาความดีทซั์เศรษฐกิจที่เหลือเฟือจนเป็นเศรษฐีนั่นแหะของเหลือเฟือมากมาย่เขาเรียกว่าเศรษฐีเหลือเฟือมากใหม่เขาเรียกมหาเศรษฐีเอาสมบัติที่เหลือเฟือเหล่านั้นมาจับจ่ายใช้สอยให้เป็นอริยะสมบัตินะ จากซับธรรมดาให้เป็นอริยรัพย์ที่เก็บอริยซัย์ก็คือใจนั่นแหละใจมันเก็บอริยรัพย์ออริยรัพย์ก็คือบุญนั่นแหละบุญก็คือความดีความดีก็คือบุญบุญยังปุญยะภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยก็แปลว่าความดีความดีนี้เป็นความดีโดยทำให้ประสบ ความสุขเจริญด้วยความสุขเจริญด้วยลาบเจริญด้วยยศเจริญด้วยเกียรติเจริญโดยความเป็นธรรมไม่เดือดร้อนนี่เอาสมบัติเหล่านั้นที่เหลือเฟือนั่นแหละมาทาบุญทาบุญกับพวกกับพ้องทาบุญกับสัตว์ทาบุญกับคนกับพวกกับพ้องทาบุญกับพระเจ้าประสงค์ ไม่เลือกทุศีลหรือไม่ทุศีลมีธรรมหรือไม่มีธรรมรวมไปถึงว่าเลือกธรรมกับผู้ที่มีธรรมมีศีลมีธรรมมีศีลยิ่งมีธรรมยิ่งรวมไปถึงผู้มีอริยธรรมนับตั้งแต่ปรโสดาถึงพระอรหรันนั้นทำบุญโดยลําดับผลจากบุญต่างๆเหล่านี้ก็จะเพิ่มพูนทวีคูณที่ทําไปผลบุญมันจะตอบ กลับมาไม่เท่ากันอทำคนทำทำบุญกับคนทําบุญกับสัตว์ที่มีบุญน้อยเราก็ได้บุญน้อยทําบุญกับคนทุศิลคนทุศิลป์คือคนมีบุญน้อยอยู่แล้วมีแต่บาปมากเราก็ได้บุญน้อยตามขนาดนั้นแหละถวายกับคนให้กับคนมีศิลปอา้าวเขาก็มีบุญอยู่เพราะว่าเขามีศิลปถวายกับพระทุศิล ก็ได้แค่นั้นแหละขนาดทุศี น, นั่นแหละถ้อยกับพระที่มีศีนยิ่งก็ได้เพิ่มเข้ามาอีกเพราะท่านมีความดีมากถ้อยกับพระอริยะพระโสดาพระสกิทาคาพระนาคาพระรหันก็ได้เพิ่มพูนทวีคูณโดยลำดับเพราะท่านมีบุญมากท่านมีบุญมากการเผื่อแผ่เจือจานมาถึงเราก็ได้มากเพราะฉะนั้นประสงค์ ที่เป็นสาพระสงโคพระสงฆ์สาวกของพระเจา้าจึงเป็นเนื้อนาบุญเป็นเนื้อนาบุญเปรียบเสมือนนาที่มีดินดีปุ๋ยดีน้ำดีอากาศดีเราก็เลือกพันพืชพันข้าวดีๆไปลงไปปลูกไปปักไปดำให้ผลเกินคาดให้ผลเพิ่มภูนทวีคูณมากมายตรงกันข้ามเอา พืชเอาพืชพันธ์ดีๆข้าวพันธ์ดีๆไปปลูกในที่ที่ที่กันดานแห้งแล้งอ่มีแต่หินลูกรังขโขลกเกล็ๆเต็มไปหมดมีแต่หินดินดานอ่ามันจะได้อะไรขึ้นมามันไม่มีกับคนเมื่อเราทําทําบุญกับคนที่ไม่มีบุญมันก็ได้บุญน้อได้บุญน้อยแต่มันได้อยู่ ไม่ปฏิเสธเรื่องได้แต่มัได้น้อยแม้พระพุทธเจ้าท่านก็นยังทรงสรรเสริญผู้ฉลาดย่อมเลือกให้บุญย่อมย่อมเลือกทำบุญนะย่อมเลือกปฏิฆาหกเพื่อที่จะทำบุญแต่หลวงปู่เขียนท่านพูดอีกอย่างท่านบอกว่าถ้าเรารวยทรัพย์มากๆเราทำไม่ต้องเลือกทำกับสัตว์ทำกับคนทุกทั่วนหน้า เพราะเรามีมากแต่ถ้าเรามีน้อยท่านบอกว่าควรเลือกให้อ่านี่ก็เป็นข้อคิดอีกอันหนึ่งถ้าเรามีน้อยเราควรเลือกให้เพราะเรามีทุนทรัพย์น้อยเราก็หวังพึ่งบุญจากทุนท ร, รนัพย์น้อยๆของเราเนี่ยเหมือนทุกตะเขินใจที่ก็หวังพึ่งบุญเข็มเข็มเล่มหนึ่งกลับได้สำหรับไปเย็บ ในงานภากระถินนั่นแหละนั่น่หละในที่สุดเขาก็ได้บุญทันตาเ ห, นเห็นเห็นไหมเข็มเล็กเล็กแทบมองไม่เห็นนะแต่ว่ามันมีความหมายมีความสําคัญเศรษฐีนี่ก็ลืมซะอีกนะไปทอดกระถิ่นนี่ลืมลืมเข็มลืมเข็มลืมได้ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ซะด้วยนะแหมเศรษฐีนี่กันเนาะช่างบุญให้กับทุกตะเข็นใจและเกินไปขายอะไรม่รู้น่ะเอาไปซื้อเข็มซื้อได้ได้ม้วนหนึ่ง เขมเล่มหนึ่งไปทำบุญโอ้ดีอกดีใจเพราะอะไรเพราะทรัพย์เรามีน้อยกาตามแต่ว่าศรัทธาเรายิ่งใหญ่บุญกุศลก็เพิ่มพูนทวีคูณขึ้นตามนั้นในที่สุดเขาเป็นคนรวยทันตาเป็นคนรวยทันตาในตานานท่านมีท่านพูดเอาไว้เพราะความยิ่งใหญ่ก็คือใจอย่างยิ่งใหญ่ด้วยบุญก็คือใจ ยากยิ่งใหญ่ด้วยบาปก็คือใจต้องการตําสุดอเวจีใต้อเวจีมหานรกลงไปอีกก็ได้ทันทีเลยอเอาใจหละไปสร้างจิตนาธรรมเข้าไปลงไปใต้บาดาลที่ไหนไปได้หมดอพยายามจะยกจิตนี่สูงสูงให้ถึงไหนล่ะถึงสวรรค์ถึงนิพพานสามารถยกได้เลยยกให้มันต่อเนื่องยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้นยกขึ้น จิตดวงเดียวนี่แหละแต่อย่าลืมว่ามันมีพานอยู่ข้างในนะมันคอยปัดคอยเป่าคอยปกคอยป้องคอยปัดให้หลุดไม้ให้หลุดมือคือกิเลส ต, ตัณหานั่นแนหะมันคอยปัดออกมันคอยแต่จะยื้อแย่งจิตนะไปสนองตอบความต้องการของมันเ อ, ออย่างนี้ดีเออย่างนั้นดีเออย่างนี้ ด, อดีอย่างนั้นดีไม่มีเหตุไม่มีผลดอก ว่จะอยากเออันนั้นดีอันนี้ดีไม่มีเหตุผลอะไรดอกไปสนองตอบให้กับมันแล้วพอเราทําลงไปปับ๊บโอ้ทุกตา ม, มาแล้วเป็นเหตุให้เบียดเบียนสัตว์นะพูดยกตัวอย่างง่ายๆฆ่าสัตว์เนี้ยรักทรัพย์เนี่ยอยากเหลือเกินอยากอยากฆ่าอยากได้เหลือเกินอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นลูกเมียของเขาของใครอยากได้เหลือเกินน ะ, สะแสดงความอยากขึ้นมาทันที รูมอำนาจให้กำมันซะเป็นธาตุของความอยากพอล่วงไปปับ๊บมัน ม, มันไม่ต่างอะไรกับปลางับเบ็ดนะที่มีเหยื่อล่ อ, ล, อล่อจนน้ำลายเยอะนั่นแหละงับับเบ็ดก็เกาะปากปากฉีกปากขาดกรรมเล่นงานถ้าหากเราไม่รู้จักสรวงเรามาระวังกรรมเล่นงานเรากิริยากาย ทางกายทางวาจาแม้แต่ทางจิตนึกคิดโดยที่ไม่มีใครรู้ใครเห็นท่านให้ยิ่งให้ระวังที่สุดเพราะผู้ที่จะแสดงกิเลวมาทางกายทางวาจาก็จะมาจากการนึกการคิดนี่แหล ะ, ะท่านจึงให้สหํรารวจมาระวังเรื่องกรรมให้มองเห็นกรรมของตัวเองให้มองเจิตนาในการสร้างกรรมของตนเองให้มองเห็นความบริสุทธิ์กรรมของตนเอง จากพฤติกรรมของตนจากเจตนาของตนไม่อย่างั้นเราทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เราทำเป็นมองไม่เห็นด้วยเหตุที่ไม่มีใครเห็นด้วยโดยเฉพาะมโนกรรมนึกคิดเรือเ่อยเปื่อยไม่สำรวมไม่ระวัตไม่ระมารวังกรรมเล่นงานผู้ที่ะจะตั้งสามารถจะตั้งใจรักษากรรมของตัวเองให้บริสุทธิ์เป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะ มีเกจจำงมีความรู้เรื่องศีลเรื่องธรรมเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานไม่หลงไม่เผลอให้กับความเพลินใจด้วยอำนาจของความอยากที่มันคอยอยุเยะมาเป็นการเป็นคราวได้ถ้าไม่มีภูมิรู้สิ่งต่างๆเหล่านี้เลยไม่ทันมันคือจิตใจไม่มีปัญญาจิตใจของเราจะมีปัญญาต่อเมื่อเรามีมีธรรม เอาธรรมเป็นปัญญาเอาปัญญาเป็นธรรมมีปัญญามีธรรมก็เท่ากับว่ามีปัญญามีปัญญาเท่ากับมีปัญญาที่เป็นธรรมเป็นแสงสว่างให้กับจิตของตัวเองเห็นความผิดเห็นความถูกของตัวเองเนี่ยสามารถรักษากรรมของตัวเองให้บริสุทธิ์ได้ไม่งั้นแปดเปือป้อนปนเปื้อนอยู่นั่นแหละ เสรแล้วก็บนอะไรนออะไรนออะไรนอเวีนอะไรนอกรรมอะไรนอบางทีมองไปเห็นอยู่เวีนอะไรนอกรรมอะไรนอนี่ยยังนอนๆอยู่นั่นแหละอภาษาวิ น, นัยท่านเรียกว่าอะไรท่านเรียกว่าไขาสือไขสื่อทำเป็นไม่รู้ภาษาวินัยนะท่านใช้คำว่าไขสืไขสือภาษาธรรมะทาเป็นไม่รู้ เราทำกรรมชั่วเราก็ทำเป็นเหมือนไม่รู้ไอ้คำว่าทำเป็นเหมือนไม่รู้มันมันทำเป็นแกล้งแกล้งไม่รู้แต่แท้ที่จริงก็คือเจตนาเต็มร้อยเจตนาเต็มร้อยเหมือนอย่างที่เขาว่าปากว่าตาขยิบอันละมึงยานะยานะ้ยายนะแต่ตาขยิบให้นี่เจตนาเต็มร้อยละเอาเลยเอาเลย ผลกรรมยมาตรงไหนมันก็มาตรงนั้นไอ้ตรงเต็มร้อยนึ่งเลยดูออกถ้าเราดูใจตัวเองออกรักษาใจตัวเองได้กรรมของเราจะบริสุทธิ์แม้แต่เรารักษาข้อวัดปฏิบัติรักษาสิกขาวินัยของเราชิ้นห้าก็ตามศิ้นแปดก็ตามศสองี่สิบเจก็ตามเราดูตรงนี้ออกเราเห็นเจตนาของตนเองเรารู้ว่ากรรมของเราบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ ในเมื่อกรรมของเราบริสุทธิ์แล้วเนี่ยใครจะมาโจดมาฟ้องมาว่ายังไงเราใช้เอา้าก็เรารู้เราเข้าใจเราแล้วเนี่ยนะเราไม่ได้ทําอันนั้นเราก็ไม่ได้ทําอันนี้เราก็ไม่ได้ทําใครจะว่าอะไรก็ว่ากขาปากเขาว่ามันเป็นการมองเห็นเหตุผลชัดเจนนี่คนที่มีธรรมนะมองเห็นเหตุเห็นผลชัดเจนแต่ถ้าตรงกันข้ามเนี่ยมันมองไม่เห็นมองไม่ออกมันสูงมันถูกสิ่งที่มืดมิดในหัวใจมันปิดมันบงัง ทำให้เรามองไม่ออกมองไม่เห็นมองไม่ทะลุมองเห็นเหตุอย่างหนึ่งว่าเป็นเหตุอีกอย่างหนึ่งหลงเข้าใจสําคัญว่าหลงเข้าใจสําคัญทําชั่วว่าทําดีมันก็ได้ชั่วมันก็ได้ทุกข์เพราะมันไปตามเหตุเหตุมันเป็นการ กอทุกข์กอโทษมันเป็นความชั่วเราก็ยอมได้รับความทุกข์ตามมาขึ้นชื่อว่ากรรมทำไม่ดีแล้วเนี่ยจริงที่จะให้ผลตอบแทนก็คื อ, อประสบผลคือความทุกข์เหลือเน้อร้อนใจทุกย่างลำบากนี่แหละสุบลงมาก็คือความทุกข์พุทธิจาท่านสอน 84,000 ี่พันพระธรมรมขันธ์ใหพ้พุทธบริษัททำบุญสร้างคุณงามความดี หวังผลคือความสุขแม้แต่เธอทั้งหลายตั้งใจประกอบไปแล้วทุกอย่างลำบากในขณะที่ประกอบก็ตามแต่มีสุขเป็นวิบากเธอทั้งหลายก็ควรเสียสละควรเพ่นควรลงทุนลงรอนถ้าอยาเที่ยวก็เหมือนกับอะไรล่ะก็เหมือนกับเรานั่งตั้งใจภาวนาเนียปวดหลังปวดเอวนั่งหลังคดหลังงออยู่เนี่ยปวดหัวเขา่าปวดหลังปวดเอ ว, ป ว, ป, ว, เอวปวดไหล แต่เราก็พยายามมุ่งมั่นทําให้จิตของเราส ง, งบประงับจากกิเลสตัณหาอาสวะที่มันแย่ก่อขึนในหัวใจแน่มีความทุกข์ในปัจจุบันแต่มีความสุขเป็นวิบากนี่พระพุทธเจ้าท่านสนเสริญสละให้เป็นให้ตายได้ทั้งหลายสละไปเลยเราไม่ว่าเราไม่ว่ า, า, วายิ่งเกินไปอโออย่างงี้ยิ่งเกินไปอย่างงี้ยิ่งเกินเราไม่ว่าขอให้ทำถูก เอาสละเป็นสละตายเข้าไปแต่ที่ท่านบอกว่าอันนี้ทางนี้เลวเกินไปทางนี้การมุสขิมแการนโยกประกอบตนพวพันในกามเลวเกินไปทำยังไงมันก็ไม่ได้อัดได้ทำเพราะมันเป็นเรื่องส่งเสริมกิเลสมันจะไปอัดได้อัดได้ทำได้ยังไงอัตตกะละมฐานุโยบประกอบต้นเน็ดเหนื่อยเปล่าคือทำสิ่งที่ไม่ใช่เหตุที่จะให้เกิดผลคือความสุข คือทำเหตุที่ไม่ใช่เหตุทำเหตุที่ไม่ใช่ผลที่เราต้องการทำจนตายมันก็ไม่ได้การมสรสาการนโยงทำจนตายมันก็ไม่ได้อาตกลมรานโยคเนี่ยทำจนตายมันก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ทางนี่พระองค์จึงเปิดทางเส้นใหม่คือทางถูกทางตรองทางถูกต้องในเมื่อทางหนึ่งตึงเกินไปทางหนึ่งหย่อนเกินไปมันก็ต้องมีทางกลาง เพราะคำนี้มันเป็นคำอุปอ ม, มาที่ท่านเรียกว่ามัชชีมาปฏิปทาทางสายกลางเห็น ไ, ไหมทางสายกลางเนี่ยเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปท่านไม่ถือว่าเคร่งเกินไปท่านไม่ถือว่าตึงเกินไปนอกจากเราพลอยพลอยให้กี่เลีมสวมรอยมันว่าท่านนั้นแหละเอ้ยตึงเกินไปตึงเกินไปไปพักซะก่อนพักซะก่อนนะไปพักซะก่อนถ้าเราตั้งใจ ตั้งใจเหมือนกับเราตั้งใจถูถูถูไม้เพื่อต้องการไฟจากการที่ไม้เสียดสีกันเน่ยถูถูถูถูถูใกลติดแล้วใกล้จะติดแล้วเอามันจนติดอ่าไม่ติดไม่หยุดหมายความว่าสละเป็นสละตายเข้าไปถ้าเราไปหยุดอ่ะเอามันก็เย็นแล้วในขณะที่มันจะเข้าได้เข้าเข็มว่าไฟกําลังจะลุกเป็นขมเหลาดําำแล้วน่ยกําลังจะลุกเป็นฐานแดงแดงเนี่ยกำลังจะเป็นเปลวขึ้นมาเนี่ย หยุดแล้วพอหยุดมันก็เย็นพอหยุดมันก็เย็นเพราะฉะนั้นถ้าเราเทียบกับหลักมัชชีมาปฏิปทาทําเอาเป็นเอาตายขนาดนี้มันถึงจะได้พะพุทธเจ้าท่านเทียบอุ ป, ปมาเหมือนสีไม้เกิดไฟนี่คือการตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติตามกิเลสการมสุขัลิกา ร, การโยกปฏิบัติเท่าไหร่ก็คือ ยิ่งเอาอะไรมาเพิ่มเอาอะไรมาเพิ่มก็คือเอาเหยื่อมาเลี้ยงกิเลส ใ, ให้กิเลสอ้วนพีมันจะเกิดทำขึ้นมาได้ยังไง อ, อันตกิลมันธนยกยิ่งทำทำจนเป็นจนตายมันไม่ใช่เหตุของผลที่เราต้องการมันไม่ใช่มันคนละเหตุคนละผลเช่นอย่างเช่นอย่า ง, างต้องการพ้นทุกข์แต่ว่าไปทรมานกายเนี่ย กายไม่ใช่สาเหตุต้นต่อแห่งกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงสมุทัยแห่งสมุทัยของกายคืออะไรคือกรรมที่อยู่ในใจนั่นแหละกรรมกรรมดีกรรมไม่ดีนั่นแหละตัณหากรมมัตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานี่ยนั่นอ่ะมันเป็นตัวพาสร้างกรรมที่อยู่ในใจของเรานี่เป็นตัวพาสร้างกรรมทรมานกายร่างกายนี้เป็นผล มันไม่ใช่เหตุพระเจ้าไปประมาณจนทรมาณจนตายก็คือตายเปล่าตายฟรีแต่ถ้าหากาบาเพ็ญเพียรทางใจเหมือนอย่างที่พุทธเจ้าท่านให้ทำมัชฌิมาปฏิปทาเราบําเพ็ญเพียรทางใจต้องการให้ใจหลุดพ้นจากความทุกข์นี่ก็คือบําเพ็ญถูกทำเท่าสักเท่าไหร่ท่านไม่ถือว่ายิ่งเกินไปเอาจนเป็นจนตายเข้าว่าจนได้อัดได้ทําใช้ท่านก็ไม่ว่าเคร่งเกินไป เอาตายนั่งตายเราฟังดูผู้คูบยาจายา์ที่ท่านแสดแงทําให้ฟังท่านมีแต่นั่งตายเดินตายนั่นแหละประวั น, นิหลวงปู่จันทาไปดูเดินจนเดินจนจะตายนั่นแหะหลวงตาด่ะนั่งจนค้นพองค้นแตกไปฟังดูนั่งเอาตายกับพวกเราปวดนิดหน่อยกับพลิกแหละส ก, สาก้าส ก, สาก้าอย่างนั้นแหละนะ มันก็ทูไปทูไปเริ่มอุ่นๆสักหน่อยหนึ่งโอ้เหนื่อยแล้วยุดก้อนลอะมีเหตุมีปัจจยัยอดไเกิดขึ้นช่วงระหว่างที่เรากําลังทําอยู่ไม่พิจารณาไม่สอด ส, ส่องเรานั่งไปเราปวดตัวพวกบ้างปวดหัวเขาบ้างปวดอะไรบ้างไม่พยายามสาวหาเหตุหาปัจจัยของมันทั้งๆ ท, ท, ที่เหตุปัจจัยของมันมีให้เราดูอยู่สัจธรรมกําลังขึ้นเฉพาะหน้า แต่เราก็ไม่พิจารณาโอกาสที่เราจะเจียมแจ้งในเหตุในปัจจัยของมันมันก็เจียมเจ้งไม่ได้เพราะนั้นว่าพรุ่งนี้พวกเรามาให้พร้อมหนะ้าพร้อมตากันก็แล้วกันใครจะไม่ไม่มาชันก็ตามแต่ขอให้ออกมาให้ทันเวลาแล้วก็คงจะสามมองสามมองเสร็จเสรเนี่ย mm hmm. สามมองสามมองกว่า ออกมาแล้วก็มีผ้ามาด้วยนะไม่ต้องเอาสังคามาดเอาผ้าหมมาด้วยหรื อ, อ, อจะพาสแสดงมุทิตากับท่านจั ด, จดสิ่งจัดของถวายท่านถวายจจตุปัจจัยกับท่านขอสินขอพรจากท่านท่านอายุทั้ง75็ดลานะนะไม่ใช่น้อยๆพรรษาห้าสาอายุเจดบาท่านเป็นมหาป ร, ริยนธรรม6ประโยคนะ์ไม่ใช่ธรรมดา เป็นเจ้าคุณชั้นราษพระราชวราลังการเจ้นนาคณะจังหวัดทุกวันนเราในมณ์มาบวชพระที่วัดเราท่านจะสะดวกหรือไม่สะดวกยังไงก็ตามท่านก็รับแล้วก็เมตตารับมาทุกครั้งบางทีท่านมาแล้วท่านฉันถูกผงชูรสทอนแพ้ผงชูรสต้องฉันต้องบนทั้งยังเมต เมตตามาทุกครั้งถ้าหากเรามีนิมนต์ท่านก็เมตตามาแต่ระยะหลังนี้เราไม่ค่อยได้นิมนต์เพราะอาจารย์หว่างท่านเป็นพระอุปิชาแล้วก็เพื่อนก็น่าจะพารามากด้วยเราก็เรียกนิมนต์อาจารย์หว่างที่ท่านอยู่ใกล้ๆมาเป็นพระอุปิชาบวชให้กับพระกับเนนเราเนี่ยและในครัวพวกนี้ก็อย่าลืมอาหารที่ไปพระบาทด้วย แล้วต่อไปแล้วก็ต้องรีบกลับมาให้ทันที่เจ้าคณะจังหวัดท่านจะมานี้ด้วยเก็บสิ่งเก็บของเก็บอะไรอะไรเสร็จมาให้พร้อมกันทั้งคณะโยมทั้งพระคาวะให้เหมาะสมกับที่ท่านอุตส่าห์เมตตา ม, มาอมืเราเราก็ไม่ค่อยได้ทําในภาษาเราก็ไม่ได้ไปพาไปคาวะท่านเราไปแต่ที่อื่น แล้วที่เขาบอกเพื่อไปแสดงมุทิตาสการะในวันครบรอบท่านนี่ก็เขาไม่เคยบอกเพิ่งบอกปีนี้ท่านเด่นว่าเขาจัดทุกปีอยู่แต่เขาไม่ได้จัดใหญ่แต่ปีนี้ดูเหมือนจะจัดใหญ่หน่อยมีดีกานิมนต์หวัวเงินเถอะเราก็ได้เราก็ได้นิมนต์ด้วยเราก็เลยบอกเป็นการบอกให้รู้แท้จริงเท่ากับว่าเพื่อนเป็นนายพวกเราอะเป็นพระที่เป็นเจ้านายพวกเราเป็นเจ้าคณะจังหวัดเด้ เป็นเจ้านายของเจ้าคณะตำบลของเจ้าอาวาสเนี่ยโดยสายปกครองก็เป็นอย่างนั้นพวกเราก็ให้ความสำคัญท่านเข้าใจกันอยู่นะแล้วในครัวอาจารย์อารมณ์มาไหมแล้วไม่ชีมากี่ชี ไม่มีมอ๋อยังไม่กลับเหรอกลับเรียบร้อยแล้วค่ะฮะกลับเรือก็ไปส่งม่ลาีที่อ้โอ้ไม่เนี่ยที่อยู่บนฉลาเนี่ยสามไม่ชีสโยมสามไม่ชีรวมทั้งไม่ชีเต้ใช่ไหมอ๋อสามไม่ชีสองโยมสองโ ย, ยมจะโยมโยมที่มาวันนี้เคยเคยมาแล้วยัง เคยมาตอนไห น, ม, นามาเนืองกรกามาพร้อมอาจารย์บางออนหรือเปล่าอ่าดูออกมากับแม่ อ, อบาามุบัตตัมเหรออ๋ อ, อแล้วอีกคนที่มาวันนี้นะอีกคนหนึ่งนะ อาไม่ได้บอกแล้วพักกุดไหนกุดสองห้องไม่ได้บอกไม่ได้ยินระครังเราก็ต้องบอกคนที่เข้ามาใหม่เราก็ต้องบอกถ้าลรยินระครังต้องมาทิศลาพราะเราก็ไม่ได้ประชุมทุกวันนะเราไม่ได้ประชุมทุกวันแล้วพรุงนี้การครบชันอะไรยังไงก็ดูกันนะ ที่มาในครัวก็ให้ดูให้เป็นาระะด้วยมีใครเข้ามาเราก็เอาบุญกับท่านท่านกับมัดแสวงบุญเราก็เอาบุญกับท่านช่วยบอกช่วยแนะอะไรคือประโยชน์ให้ทาให้เอาอะไรคือโทษให้ละให้เวน้นให้บอกสอนให้ตักเตือนตัวเองแล้วพรุ่งนี้โยมทนานอาษ์เขาจะมาอีกนะมรูุมาทันยังหันหรือเปล่ามร กะว่ามาทันไหมน่าจะไม่ทันใช่ไหมไม่ทันใช่ไหมเขาคงจะเช่ารถมาใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้ให้ใครไปรับนี่เพราะโชเฟอร์เราน่าจะไม่พอบอกเขาเนอบอกเขาให้หามีแท็กซี่มีอะไรก็จับให้ก็จับมาฮะ ใครบอกไปรับโยมาแล้วก็ิกับรตูมาใครบอกปแปะก็ผมนอาร์ตเบอกว่าอาร์ตบอกกเลยไปคุยกับจิดูว่าอ้าวไม่อาร์ตไม่บอกเราอ่ะเราก็ไม่รู้ว่ายังไม่ได้สั่งใครเลยนี่เราก็พูดสองท้งพรางกับอาร์ตอาร์ตเขาบอกว่าอาจจะมีรถเช่ามาอะไรมาที่เราพูดแบบนี้นะ ไม่ใช่เราคิดแล้วก็พูดเอานะแล้วใครจะขับรถขึ้นเนี่ยขึ้นพระบาทเนี่ยอย่างน้อยสองคันเนี่ยใครจะขับขึ้นเกียรติกับใครอีก คือกรถินพระบาทกรถินพระบาทในเราเราก็ไปช่วยเขาอย่างนี้ทุกปีเราไม่ได้ไปตั้งโรงทานแต่เราเอาอันนี้ไปเอาอาหารไปเอาไปก็อยู่จนเสร็จกระถินเขานั่นแหละแล้วก็พปุงนี้เราก็จะไปด้วยพราะเขานีมนตอนค่ำเนี่ยเขาก็อยาให้อยู่แต่เราเราว่าโอ้ยเขาเนี่ยมลนวันพรุ่งนี้เราก็จะไปวันพรุ่งนี้ เมื่อก่อนนั้นเราเคยส่งพระไปช่วยหลายองค์แต่เนี่ยเราก็ลืมแล้วเราไม่ได้บอยใครไปช่วยไปเขาก็เรียบร้อยดีก็ทำนู่นทำนี้เขาสะดวกมันไม่เหมือนเราพลานหินสะอาดตลอดอดเขาเนะพลานหินมีเต็นท์ไป ก, กับกลางกลางางง แ่้องทานเยอะอยู่ก็เอาของไปช่วยเขาเมื่อตอนค่ำนี่ยเอาของไปแต่ปัจจัยยังไม่ได้ช่วยเขาเนี่ยนีคอยดูพวงนี้เราจะมีอะไรช่วยเขาไหมนั่นเด่นเนี่ยเราก็อยู่กันอย่างนี้แหละ เราเห็นแก่หมู่หมู่ก็เห็นแก่เล้าเราเห็นแก่ตัวหมู่เขาก็เห็นแก่ตัวทำไมจึงว่า ง, งันก็เพราะกรรมนี่แหละกรรมรู้่ังไหมถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมมันโยงใส่อะไรได้หมดถ้าเราเข้าใจเรื่องกรรมกรรมชี้ไปให้ชัดคืออะไรกรรมเหตุกับผลอ่าก็มีเหตุกับผลนั่นแหละ เหตุกับผลนี้แบ่งได้ดีกับชั่วบุญกับบาปกุศลอกุศลดีปณีตเลวต่ำซ้ำนี่มันมันไปจากกรรมตัวเดียวนี่แหละตัวที่ทำให้โลกนี้วุ่นวายทำให้โลกสุขสบายทำให้โลกวุ่นวาย ทำให้เราเดือดร้อนหมูมนุษย์หมูสัตว์อยู่สุขสบายด้วยกันก็ด้วยอำนาจของกรรมอยู่ทุกอย่างลําบากเบียดเบียนกันก็ด้วยอำนาจกรรมนี่แหละอ่าว่าโดยส่วนตัวอยู่สุขสบายก็เพราะกรรมดีอยู่ทุกอย่างลําบากกันด้านก็เพราะกรมมกรมไม่ดีกรรมไม่ดี ก็ได้ไม่ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีนะดก็เหมือนอย่างที่เราว่ายหมูเนี่ยแหละทาทำไม่ดีได้ไม่ดีนะทำดีได้ดีการฝีมือต่างๆก็เหมือนกันทำไม่ดีมันก็ได้ไม่ดีอันนี้ไ่ได้ดียังไงนะทาทีมก็ได้ดี มันพูดลึกละเอียดไปถึงเกี่ยวกับเรื่องกรรมเอามันก็มันก็ให้ผลเหมือนกันเน่ยทำกรรมไม่ดีมันก็ได้ผลไม่ดีทำกรรมดีมันก็ได้ผลดีรวมลงแล้วมีเรื่องกรรมอะไรเป็นตัวที่รุนแรงของกรรมเจตนาเจตนาเกิดที่ไหนเกิดที่ใจใจคือผู้รู้เจตนาตัดสินใจทำสิ่งนี้แหละ พปั้งขึ้นม า, าฝ่ายดีก็เป็นกศรรุศลเจตนาฝ่ายไม่ดีเป็นอกศรรุศลเจตนาเจตนาหังพิกเวะกัมมังวดามิ เ, าเจตนาหังพิกเวะสีลังวดามิพิสุทั้งหลายเรากล่าวว่ากรรมเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวศิน พระจ้าท่ตรัสเอาไว้เราดูอยู่แค่นี้ดูในวงแคบเข้ามาแคบเข้ามาที่ตัวเรา เ, เราอยู่ในขุมปัญญามีโอกาสพร้อมที่จะแตกคะแนงก็จัดกระจายสว่างสวัยอยู่ข้างในใจของเราเองเราไม่ต้องไปเรียนจบกี่ด็อกเตอร์ก็ตามเราเข้าใจเรื่องนี้เราเข้าใจแค่นี้เราสามารถหาเหตุ เห็นความสุขความเจริญในหัวใจได้สิ่งอื่นเป็นเรื่องปลีกย่อยไปผู้ทีเจ้าท่านให้ความสําคัญคือความสุขหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์ประโยชน์คืออะไรคือความสุขถ้าประโยชน์ไม่ใช่ความสุขก็คือโทษถ้าประโยชน์ไม่ใช่ความสุขก็คือโทษไม่มีใครต้องการแต่ทา ไม่ต้องการแต่ทำทำเพราะหลงตามความอยากมันมีตัวพาหลงมันมีตัวพาอยากเราพยายามนึกคิดพิจารณาวนเวียนอยู่แค่นี้จะทำให้เราเป็นคนมีหลักหลักใจข้างในเอาละพอสมควรแก่เวลาเอาขอนิสัยไหมเอาขอก็ได้เอาเออในครัวเอากลับเด้อกลับซะ เราให้ใครจัดดอกไม้ให้นอฮะอันนี้อนเนี้ยที่จะมาทำวัดกับไ อ, เอ้เจ้าคณะจังหวัดเนี่ยเอาโคมมางเหคนมาอะม า, ม, ามึงกับกับผ่านอั น, นผ่านเอ า, เอากลับซะในครัวกลับซะ